บุกทูสี่สิบอร์มการสอบถามทางคุิกกเลวาิกกเลวาขอโทษครับมาปติต มาปิ S <S ช่วยผมทีได้ไหมครับเชกีิลิัตตามขิขมารถเช่กีลามมานี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับซดาริสักคาร์กรสตอรานีซดาริสักคาร์กิเรสตอรรานีเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ มีบริษัทไหนมาร์ขนอยู่เชสัคหรือเปลต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับเชิมเปียรชิติกตังสเปีรดาปีรยารตาายาต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งรอยเมตรครับเชิมติกหาสิเมตรีมารจุนิว คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้เฉกิดเลียดรถบัสทัดจะขุดเด็ดเฉกิดเลียดรถบัสทัดจะขุดเด็ดคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้เฉกิดเลียดทรัมไบทัดจะขุดเด็ดเฉกิดเลียดทรัมไบทัดจะขุด คุณขับรถตามผมไปก็ได้เซกิซลต์เมกามุมคเกิเมกามอมคิ ด, ด, มมคดผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับโรกอร์มีวิดสตาดีโอนัมเดโกอร์มวิสตาดนัมเดข้ามสะพานไปครับคิ ด, ดีอุนดากาดากเวทุด ขีดอุนดาะดะกะดัตาเกวิดทอดลอดอุโมงไปครับกวีร บ, บิอุนดากายารุกวีรชิอุนดากายารุขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับมีดิตเม่สามชช า, า, มมมามชูคนิชนามเดมดิตม่ามาชูคิชนามเด ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับรรต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป ชกกลขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับรวตุรริวรวีไอรอรตมเวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินอุียมเมโร อออกที่สถานีสุดท้ายการรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด